จีดีรวมธรรมปัญญาปีพุทธศกร2553ชุดนึกอะไรก็ได้ทำทุกทีโดยพระพรมพุนาพรปออประยุตโตวัดยาณเวศกวันตตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม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 นิกายทางด้านเทราวาวเนี่ยที่มีอยูอ่ห้าประเทศหลักเนี่ยนะครับไทยพมา่าลาวเขมรแล้วก็ศรีลังกาเนี่ย ใ, ในแง่ของพระไตรปิฎกก็คงจะคล้ายกันหรือว่าเหมือนกันตามเหมือนกันเลยฮะเหมือน่นเพแต่เล็กๆ น, น้อยๆที่พุทธนอดแต่ว่าในตอนที่มาสอนค า, าราวาสหรือสอนพระในแต่ละประเทศเนี่ย อ, อาจจะมี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 ที่พมา่าเนี่ยก็สามารถบินตาบาดได้จนกระทั่งถึงเทนคิ้วก็ไม่ต้องโกนยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ทราบว่ามีข้อแตกต่างกันในห้าประเทศนี้มากไหมครับก็นี่แหละครับถึงต้องมีพระไตรปิดกที่เป็นอย่างเดียวกันเป็นหลักไว้เมื่อกันแล้วแค่สามซึ่ห้าประเทศที่กะจัดกระจายกันยังขนาดมีพัะไตรปิดกอย่างเดียวกันนะยังมีแปลกกันอย่างนี้ ในเมืองไทยเราเองเราก็มีคล้ายๆประเพณีพูดกันมาแต่โบราณแล้วว่าไทยวินัยพ ม, มา่าแอรังการพระ ส, สูตรพ ม, ม่าอภิธรรมหมายความว่าถือว่าสาประเทศเนี่ยมีความชํานาญพิเศษไม่เหมือนกันแต่โบราณเนี่ยจะถือว่าไทยนี่เคร่งวินัยมากนะมันก็เลยมีไอ้เข้ามาถึงปัจจุบันว่าไทยเนี่ยเคร่งครัดวินยัยส่วนรังกานั่นท่านเน้นพระสูตร จะเก่งในเรื่องของพระสูตรแม้แต่เดวนี้เขาก็ยังเก่งนะเด็กขนาดหกเจ็ดขวบนี่ท่องธรรมจักรได้เลยนะธรรมจักรกระโปงวัจนสูตรโอ้เขายังเก่งมากคาสอนเนะี่ยรู้รู้พระพุทธเจ้าสอนอะไรเด็กไทยไม่รู้เรื่องเด็กมาอยู่โคงนี่เดี๋ยวจะว่าว่าเด็กด้วยหนูไม่ต้องเดือดร้อนเออทีนี้ เอหรือหนูจะได้ช่วยกันท่วดไม่มึงไทยเก่งทุกอย่างนี่ก็พม่าน่ยเก่งอภิธรรมนะก็ถือกันมาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังค่อนข้างเป็นอย่างงั้นใช่มเวลาเราจะจัดการสอนอภิธรรมยังไปเอาอาจารย์พม่ามาเนี่ยสำนักอภิธรรมปัจจุบันในเมืองไทยเนี่ยเป็นสำนักที่สืบสายพ ม, ามา่าแทบงนั้นใช่ไหมเนี่ยอภิธรรมโชติกะอะไรทำนอเนี่ย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 สมัยก่อนก็ไม่ได้เน้นเพราะฉะนั้นเป็นปรากฏการณ์ค่อนข้างใหม่ในซ้ำที่ว่าไทยมเน้นสติปัฏฐาน <c oughs> เป็นเรื่องที่ว่าบางอย่างก็เป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะใกล้ๆนี้เองอย่างที่คนไทยหันไปสนใจศึกษาวิธรรมบ้างมาสนใจศึกษาวิปัสนาเจริญวิปัสสนากันเนี่ยแม้แต่เรื่องสติปัฏฐานเนี่ย ก็มีทิทธิพลของต่างประเทศในเพื่อนบ้านเนี้นะไม่น้อยเพราะนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยด้วยแต่วัดที่ว่ากันมาแต่โบราณก็ที่ว่าบอกว่าไทยวินัยพระมาไอ้ลังกาประสูตรพระมาพิธรรมอันนี้อย่างเรื่องของคัมพี์อะไรต่างๆมันมีไอ้เรื่องของภูมิหลังมานาน อย่างพามา่อาอ้าวพม่าไว้คิ้วลังกาก็ไ ว, ใวไ้ใช่ไหมฮะไว้ปะเอ๊ะพระลังกาท่านไว้คิ้วไหมเออชักลืมแล้วเนี่ยขนาดพบกับพระลังกามาเยอะแยะนะออใช่คือที่ ท, ที่ที่โกนคิ้วก็ไปจากพระไทยนี่แหละสยามวงศ์สมัยพระเจ้าบรมโกศปลายยุทธยาไว้ตามพระไทย ทีนี้พระไทยหรืว่าโกนคิ้วเพราะอะไรเนียก็มีเล่ากันมาแต่ว่าอาจจะเชื่อถือไม่ได้คือเราก็เดากันนั่นแหละบอกว่าตอนที่พม่ามารุกมุ่งไทยเนี่ยรบกันนานนพะพม่าก็มาปลอมตัวเป็นพระไถบางอะไรแต่เลยสืบข่าวเป็นอะไรแต่เป็นเขาเรียกไ้สึกใช่ไหมแล้วจารชนเป็นจารชน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 ตอนนั้นไทยก็ยังดีอยู่อยอยุธยาก็ยังรุ่งเรืองอยู่ก็ไม่ได้ไม่มีเหตุการณ์โลกกับพมา่านะก็ไม่รู้ชัด <c oughs> อันนี้ก็ไปนอนว่าเป็นเรื่องของหนึ่งยุคสมัยด้วยสองก็คือการเน้นของแต่ละถินฐานแล้วก็การที่ไทยเคร่งพระวินัยได้มากเนี่ยเพราะว่า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 พระเจ้าเป็นดินที่นั่นก็ส่งทูตมาขอพระไทยไปบวชแต่นี้ก็มีสายของพม่าไปมีอมาราปุรานิกายแล้วก็มีรามัญญานิกายอีกเป็นนิกายเล็กนิกายนั้นก็เป็นแบบของพม่า ก, ก็ไม่โกรธคิ้วนี่แต่ละนิกายก็มีผู้นำก็เป็นหมานายกะไม่มีการปกครองอันเดียวกันนี้พม่า ก, ก็เช่นเดียวกันก็มีผู้นำผู้ที่เป็น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 เอาแล้วนั่งรถสามล้ออะไรก็นั่งกับผู้หญิงก็นั่งด้วยกันไปด้วยกันได้แลอย่างพระผู้ใหญ่ของไทยเราเนี่ยไปพมา่าตอนที่มีเหตุการณ์ใหญ่ชัตสังคีติสังคานาครั้งใหญ่นิมนต์พระสงฆ์จะทั่วโลกทุกประเทศไปร่วมคนพมา่านี่ก็มีศรัทธา ม, มากนะผู้ผู้หญิงก็จะมานั่งข้างถนนแล้วเขาก็จะสยายผม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 อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นมาในสังคมนั้นๆเ<ม>พราะจะตอบได้ไหมฮะได้นะฮะของไทยเราแล้อีกอย่างหนึ่งก็คืออิทธิพลของเรื่องอาณานิคมอันนี้ก็ซับซ้อนอยู่ทางการเมืองก็มีผลต่อเรื่องของความรู้เข้าใจภาษาศาสนาเรื่องของศรัทธาเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของการเมืองด้วยอิทธิพลจากอาณานิคม ก็คือไทยเราเนี่ยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกการไม่ตกเป็นอานณานิคมนี้ก็มีข้อดีก็คือเราก็เป็นเอกราชตลอดมาแล่เราก็ไม่ถูกบีบบังคับในแง่หนึ่งก็ดีแต่ในแง่หนึ่งก็ไม่มีเครื่องบีบคั้ น, นคนมนุษย์บรรทุชนเนี่ยบางทีก็เอาดีได้ใยการถูกบีบคั้น ต้องมีทุกข์ถูกบีบขั้นแล้วจึงดิ้นรนขนขวายถ้าหากว่าเพลินสบายก็ประมาทคนไทยนี่ก็เข้าคตินี้อยู่ไม่น้อยที่ประมาทกันเยอะเนี่ยนะเมื่อไม่ตกเป็นอาณานิคมก็สบายทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็นอกจากบสบายเพลินประมาทแล้วสเสวยความสุขก็คือเกิดความเห่อฝรั่งนะเห็นฝรั่งแล้วอูนี่ผู้เจริญเป็นชาวอารยประเทศเน เราจะมีสํานวนแต่สมัยเก่าเลยบอกว่าไทยเราจะต้องพัฒนาให้เจริญอย่างอารยะประเทศอารยะประเทศก็คือฝรั่งนะฮะสมัยนั้นเรียกอย่างนี้นะครับเรื่องอารยประเทศนี้เราก็มองไปที่อารยประเทศเขาเจริญอย่างไรตอนนั้นก็โอยเข้ายุคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเจริญมีกล้องไทยรูปมาเริ่มมีรถยนต์มา มีอะไรอะไรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาคนไทยก็ตื่นตาตื่นใจคอยมองว่าฝรั่งมีสินค้าอะไรมาใหม่ๆเราจะได้ชื่นชมใช้บ้างบริโภคบ้างตามซื้อตามหาแล้วก็ตื่นเอาหามาแข่งกันคนไหนมีก่อนคนไหนมีก็แหมแน่เลยโก้ก็อีกคนหนึ่งใช่เราก็แข่งกันในการที่จะตามฝรั่งโก้อย่างฝรั่งเนี่ยเจองั้นทั่งว่าดูถูก สมบัติของประเทศของตัวเองเราก็ได้ดูถูกมีความโน้มเอียงที่จะดูถูกวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองแล้วก็โยงมหาพุทธศาสนาดูถูกอย่างที่ผมเคยเล่าอ่ะสมัยผมเมื่อสักห้าหกสิบปีก่อนนะผมยังเด็กอยู่เป็นเด็อยูน่นะสมัยนั้นยัไปพูดสมาธิเนี่ยคนดูถูกคนไทยในกรุงเทพเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยไม่เอาหรอกครับคาว่าสมาธิเนี่ยเป็นคาที่เขาดูถูกยไปพูด ใครไปพูดก็เป็นคนคล้ำคลือไม่ได้เรื่องวิปัสสนาไม่ได้เรื่องจะไปพูดนะวิปัสสนาก็ผกนั่งเทียนอย่าคล้ายๆนั่งทางในเห็นโน่นเนี่แล้วคนไทยที่ติดมาจากพุทธศาสนานั่งกรรมาฐานก็กลายเป็นนั่งกระสินจะได้ฤทธิ์ได้รสอย่างนั้นอย่างนี้มันความหมายมันก็เพี้ยนด้วยแล้วทัศนคติของคนสมัยใหม่ก็ไม่ดีมองก็ดูถูกเหยียดยาม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 ถ้าเธอไม่เปลี่ยนศาสนาไม่มีทางเอออยากจะเลื่อนขึ้นไปเป็นข้าราชการตำแหน่งสูงก็ต้องเปลี่ยนศาสนาสารพัดบีบคัน้นพม่าลังกานีดโดนหนักมากเนยเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกที่จะหันมารักพิทักษ์ปกป้องสมบัติของตัวเองนะนี่นี่มันเป็นแรง อ, อะไรนะเป็นแรงสะท้อนตรงข้ามใช่ไม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 คำโต้ ว, วาทีนี้ล่วมสายพุทธศาสนามากโอ้นี่พุทธศาสนานี้ดีประเสริฐเหลือเกินแล้วก็เลยพลอยรู้ว่าในลังกาเนี่ชาวพุทธถูกบีบคั้นมากเหลือเกินไม่ได้ฉันจะต้องไปช่วยงั้นนาเนี่ยเป็นเหตุให้พันเอกออนคอตเนี่ยเดินทางมาลังกาแล้วมาช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาแกเป็นกายเป็นผู้สอนพุทธศาสนาพันเอกออนคอตเนี่ย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 อันนี้ผมก็เลยเล่าไปให้ฟังเนี่ยก็เป็นอันว่าทางพระมาลังกาเนี่ยเพราะฤท ธ, ธ, ธิ์ที่ถูกอาณาณิคมบีบคั้นมากเนี่ยก็ทาให้กลับไปปกป้องพิทักษ์พุทธศาสนาและวัฒ น, นธรรมประเพณีของตนเองจะเห็นว่าเขาจะไม่ยอมแต่งจากกายชุดสากลถูกไหมเอมอพระมาลังกากรัพระมา ก, ามากนุ่งสรงต่อลังกาก็นุ่งอะไร แล้วก็นุ่งชุดขาวเวลาวันอุโบสถใช่ไหมเขาแต่งชุดขาวเขาไม่เอ็งาเอาอย่างไทยไทยนี่ต้องไปอย่างสากลเนี่ยตรงข้ามเลยไทยภูมิใจที่จะได้ทำอย่างฝรั่งเนียแต่ลังกาพมา่าโกรธแค้นไม่ยอมทำตามฝรั่งเนียจะต้องรักษาขาตัวเองไว้ได้ให้ได้เพราะนั้นอะไรที่เป็นของสมบัติของชาติลังกาพมา่าฉันจะต้องทามันก็ตรงข้ามสิใช่วิถีของสังคม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 พอฝรั่งตื่นสมาธิขึ้นมาลิดฝรั่งตื่นสมาธิส่งกลับมาเมืองไทยคนไทยพลอยสนใจสมาธิด้วยเออสมาธิภัษนาอะไรเนี่ยนะมาฟื้นจริงๆตอนที่ฝรั่งกลับมาสนใจฝรั่งเข้ามาเกิดไอ้ปฏิกิริยาต่อสังคมของคนรุ่นใหม่ที่เคยเล่ามันเยอะแยะและที่ว่ายุคคอสอหนึ่งัน้าร้อยห้าสิบกว่า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 แล้วก็พวกโยคีหรือสีก็เข้าไปนั่นแหละก็เริ่มคอรสอนหนึ่งันก้ารยห้าสิบกว่าค่อนข้างไก้ปลายละหนึ่งพันเก้าอยห้าสิบปดอะไรเท่านั้นน่ะเขาเรียกว่ายุคบีชเยนเยนูเรชันพวกเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์คานเจอพวกวัฒนธรรมสวนกระแสนะหรือว่าสวนกระแสวัฒนธรรมสวนวัฒนธรรมย้อนเลย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 ของไทยบออยู่ที่นี่ดีแล้วจะไปไหนเลยอยนกันอันนี้คือลักษณะสังคมไทยกับฝรั่งอเมริกันนั้นอเมริกันเนี่ยมันมีแต่คำว่า frontier หมดเขาอย่าไปเรียกมันมเรียกฟิดถูกนะขอโทษเขาอเมริกันเขาเป็นอย่างนั้นคือนสังคม frontier เพราะว่าเขาขึ้นฝั่งที่แอตแลนติกนะที่พรีมัต์เน่เป็นจุดสำคัญขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็เริ่มยุคฟันเทียหมายความว่าเวลาจากนั้นประมาณสามร้อยปีเป็นเวลาที่คนอเมริกันเนี่ยบุกฝ่าขยายพรมแดนนะจากแค่ริมฝั่งมหาสหมุทรขึ้นมานิดเดียวไม่มีที่ที่ New England, นะิวอิงแลนด์เนี่ยเขาจะอยู่ได้ยังไงนะจะทำมามหากินยังไงที่ไม่มีก็ต้องบุกขยาย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 เขาเรียก frontier of science แพรมแดนแห่งวิทยาการนะก็แม้แต่มองวิทยาการก็มองเป็นปลุกฝ่กขยายพรมแดนวิชาการไปอวกาศเขาเรียก frontier of space space frontier นะตอนที่อเมริกันขึ้นยุคปลุกอวกาศแล้ก็ขยาย frontier ทางอวกาศเขาบอก land frontier เขาจบแล้วเมื่อ300ปีหลังจะขึ้นฝั่งที่พรีมัท แล้วก็ลบชนะอินเดียนแดงสุดท้ายได้ถึงแคลิฟอร์เนียจาก New นะิวอิงแลนด์เนี่ยนะฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยปีเขาไปจบที่ฝั่งแคลิฟอร์เนียแล้วก็ได้เสียต้นถึงมาลัดวอชิงตันเนะี่ยหมดอินเดียนแดงก็หมดความหมายเขาเรียวกว่า c r o s i n g of the frontier <laughs> ปิดเป็น land frontier land frontier frontier ทั้งบกจบตอนนั้นเขาก็มี sea frontier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 ที่หาเสียงด้วยแนวคิดเรียกว่า new frontier นะเพราะ frontier มาหลาย frontier แล้วมีการบุกเรื่อยตอนนี้เขาจะหา frontier ใหม่ให้เค n n นี y นี่เป็นผู้หนึ่งที่ใช้แนวคิด new frontier เขาหาเสียงด้วยคตินิว frontier เนี่ยนะ น, นี่านั้นคำว่า frontier เนี่ยสำคัญมากใน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 ในสังคมไทยเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ให้คำแนะนำกับพระใหม่แล้วก็พระที่เขาอยู่มาระยะหนึ่งหรือไม่ก็พระที่อยู่มานานคนที่จะมีหลักในการรักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็มีจุดนู้งหม่อย่างไรบ้างครับ<ะ> Entonces, ก็อันที่หนึ่งก็คือขั้นต้นก็ต้องศึกษาให้รู้เข้าใจถ้าไม่รู้เข้าใจเราจะรักษาไงไม่ได้หรอกนะ รู้เข้าใจแล้วก็จับจุดได้เห็นคุณค่าพุทธศาสนาเออมีดีอะไรถ้าไม่มีดีจะรักษาไว้ทำไมใช่ไหมรู้เข้าใจรู้เข้าใจนะอันที่หนึ่งรู้เข้าใจแล้วไม่เห็นว่ามันดีไม่จะรักษาไว้ทําไมใช่ไม่มมันก็ต้องเห็นดีเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วก็เมื่อเห็นคุณค่าเห็นความดีแล้วก็อยากจะรักษาไว้เห็นคุณค่าดีนี่ก็เห็นประโยชน์ด้วย วิจรักปรารถนาดีต่อสังคมมนุษย์ต่อสังคมไทยต่อสังคมโลกอยากจะสร้างสารรค์อยากจะแก้ปัญหาเราจะต้องช่วยแก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมไทยสังคมโลกอารยธรรมมนุษย์ที่มันมีปัญหามันผิดพลาดยังไงเนี่ยโอ้พุทธศาสนานี่ช่วยได้พอเราเห็นคุณค่าและจะใช้เป็นประโยชน์ได้คราวนี้ละมันไม่แค่รักษาละคิดว่าจะทําไงให้เป็นประโยชน์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 ศึกษาเล่าเรียนให้ลูกหัวใจมองเห็นคุณค่าความดีงามเห็นประโยชน์แล้วมีจิตใจมุ่งจะสร้างสารรค์ทำประโยชน์ตามที่ท่านบอกไว้น่ะนะเออว่าโลกนี้สังคมนี้มันมีปัญหามากคนยังมีทุกข์ยากเดือดร้อนมากอริยธรรมมันเดินมาในทางที่ผิดพลาดนำโลกไปในทางที่เดือดร้อนอย่างอริยธรรมปัจจุบันที่เป็นมาเนะี่ยวิวัจเจริญ น, นักหนาเนะ้นำมาสู่ปัญหาหมดเลยอริยธรรมมนุษย์ที่เป็นมาเนี่ย ผลสุดท้ายคือทำให้เกิดปัญหาของมนุษย์สามอันหนึ่งปัญหาจิตใจแก้ไม่ได้ยิ่งเจริญยิ่งเครียดยิ่งทุกข์เยอะอันนะหนึ่งนะฮะสองปัญหาสังคมมนุษย์ขัดแยง้งแย่งชิงข่มเหงกันใช้อำนาจกดขี่แสวงหาความยิ่งใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเอารัดเอาเปรียบกันตลอดเวลาถูกมฮะแก้ไม่ตก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 ก็ดำเนินไปได้สิ่งแวดล้อมก็อยู่ดีหรือเศร ษ, ษฐกิจก็ดีเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ดีสิ่งแวดล้อมก็อยู่ได้อย่างี้นะเขาก็เลยมีคำคู่นะสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ใช้คำคู่ว่าอ e c ค l ล g y กับอ e c o n o m y ต้องให้อ c o n o ม y ดีแต่ว่าอ e c ค l ล g y ีไม่เสีย เขาบอกให้จับสองตัวนี้แต่งงานกันอ mm ีโคโนมะีกับอีคอโลจีอีคโลจีก็แปลก็ว่านิเวศวิทยาก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็อีโคโนมีก็เศรษฐกิจสองอย่างนี้ให้ไปเด็กกันให้อยู่ควบคู่กันได้ดีหรือไม่งันก็ใช้คู่เกเป็นคู่เม้นนะฮะอินเวอรกับ Development นะด e เวลพเมนก็ดำเนินไปได้ Environment ก็อยู่ด้วยนะนะความหมายของ การพัฒนาที่ยั่งยืนก็พูดง่ายๆด้วยคำสองคู่เนี่ยถ้าจำกัดความด้วยคำสองคู่นี้ใช่ได้เลยบอกครับการพัฒนาที่ยั่งยืนคือยอย่างไรก็คือการพัฒนาที่อีโคโนมีกับอีโคลจีไปกันได้นะหรือว่าดีเวลพเมนก็ดำเนินไปแล้วเอนไวล์เมน์ก็ไม่เสียในนี้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 และจะรักษาพุทธศาสนาไปเองก็ตอบอย่างนี้นแต่คราวนี้เนี่ยบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในวงค่อนข้างแค บ, คบโดยที่จะส่วนมากต่คอนแทกกับชาวบ้านอัก ส, ส่วนใหญ่คราวนี้เนี่ยเราก็ควรจะวางตัวยังไงครับในส่วนที่มันเหนือไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของสังคมคือพระเองเนี่ย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 คนสมัยใหม่เขาไม่เอาใช่ไหมเออเมื่อเขาไม่เอาแล้วถ้าเราไม่รักษามันก็หมดเลยก็ยิ่งต้องยึดมันใหญ่ก็รักษาไว้ให้ค่อนยึดมันมันก็เป็นการรักษาที่ไม่ถูกต้องแต่ว่ามันก็ได้ในแง่ว่าถ้าท่านไปรักษาไว้มันก็ไม่อยู่เหมือนกันนะก็ยังดีท่านก็มีคุณอยู่แต่ว่าคลยๆรักษาไว้พอให้รักษารูปแบบไว้ก่อนนี่คนที่รู้เข้าใจก็ต้องค่อยๆมากระเทาะเปลือกกระเทาะอะไรเอาเนือ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 มีกันในสามร้อยปีนี้มาอย่างไางนี่เป็นตัวต้องรู้หมดอย่างนี้แหละครับไปได้รู้เขาต้องรู้อย่างนี้รู้ถึงเหตุปัจจัยไม่ใช่รู้แค่ผลแล้วก็รู้ตัวเองรู้จักตัวก็ต้ตองรู้ความเป็นมาทั้งเหตุปัจจัยสภาพที่แท้จริงด้วยถ้งางั้นเราก็มาทะเลาะ ก, กันเองทยอย่างเงี้ยเนี่ยปรากฏการณ์ที่ทะเลาะ ก, กันปัจจุบันเนี่ยท่านโยงให้ดีจะเห็นว่ามาจากเหตุปัจจัยที่ผมพูดให้ฟังเนี่ย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 กับเรนถามพระเดชพระคุณครับ<ล>คือว่าจากที่ผมสังเกตเนี่ยพระ<ล>ในปัจจุบันเนี่ยมัจกจะแยกออกเป็นสองความคิดกลุ่มแรกเนี่ยจะหนักไปทางความเชื่อหรือศรัทธา<ล>ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะไปหนักเรื่องการใช้ปัญญา<ล>พอกลุ่มที่ใช้ศรัทธารู้สึกมันจะเป็นกลุ่มใหญ่สุดเนี่ ย, <ล>ยพอกลุ่มที่ใช้ปัญญามาสังเกตกลุ่มศ<ล>รัทธาเนี่ยก็หมดความเริ่มใสส่วนกลุ่มที่ใช้ความศรัทธาเป็นใหญ่เนี่ยเห็น กลุ่มที่ใช้ปัญญาเนี่ยมีความคิดแตกต่างกันไป<ม>ก็คิดบางทีก็มองเป็นเดือถีบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ย<ม>ซึ่งกับเรียนถามมาเดชประคุณว่าทิทางหรือว่าสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่ดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรครับเราไปแบ่งเลยครับอันนั้นเป็นเพียงข้อสังเกตแล้วก็ยจะไปแบ่งจะไปมัวแบ่งฝ่ไฟสัทธา่าย า, า, ยยาที่จริงมันไม่มีหรอกหลักพระศาสนามันมีอยู่แล้วเราก็ไปดูที่หลักพระศาสนาว่าอย่างไรใช่ไหม บางทีที่ว่าศรัทธานั้นก็บางทีก็ไม่ได้ศึกษานั่นเอง mm hmm. ใช่ไหมก็เลยอยู่ด้วยศรัทธาเมื่อคุณไม่ศึกษาคุณไม่รู้ก็คุณก็ต้องอยู่ด้วยความเชื่ออันนี้นเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมถ้าเราจะอยู่กับสิ่งนั้นโดยเราไม่รู้เราก็ต้องเชื่อเอา <c oughs> นะฮะคนสองคนนะคนหนึ่งหลับตาแล้วมีคนหนึ่ง มาพาเขาไปสู่จุดหมายเขาสองคนเนี่ยคนหนึ่งหลับตาคนหนึ่งลืมตาจะไปสู่จุดหมายนี่ยอันนี้คนที่หลับตาเนี่ยก็เชื่อว่ามีคนหนึ่งที่เขารู้จุดหมายแน่นอนเลยแล้วก็มีศรัทธาเชื่อแต่แต่คนเนี้ยแล้วเขามาก็เอาไม้เท้าให้จับบ่กคุณเดินตามที่จับไม้เท้าไปนะถึงแน่แน่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 ลืมตาดีกว่าใช่ไก็คือรู้ด้วยตนเองไม่ต้องกลัวเขาหลอกอีตาคนที่จับไม้เท้าตามหลังเคยอาจจะโดนหลอกนะั่อืแล้วก็ตั้งพึ่งพาสิไม่เป็นตัวของตัวเองไปเองไม่ได้แล้วต้องรอให้ตะคนนั้นมาจับนี่ในเมืองไทยเราก็ที่ท่านว่ามันก็เป็นเครื่องฟ้องอันหนึ่งแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าพุทธศาสนาให้ศรัท ธ, ธากับปัญญามันหนุนกันใช่ไหม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 พอหมดนาทีท่านเรียกว่าอัศว์โทเป็นผู้ไม่ต้องอาศัยศรัทธาก็เป็นพระอรหันต์ผู้ที่มีศรัทธาเต็มเปลี่ยนสูงสุดคือพระโสดาบันผู้ที่พ้นศรัทธาไม่ต้องขึ้นแต่ศรัทธาคือพระอรหันต์นั้นให้ท่านแยกของกันจะว่าศรัทธาไม่สําคัญยังไงพระโสดาบันคือผู้มีศรัทธาสูงสุดเนีเออถ้าไม่สามารถพัฒนาศรัทธาให้สูงสุดท่านก็เป็นโสดาบันไม่ได้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 แต่ถันไม่ดูถูกนะไปโสดาเขาไม่ใช่งไงแล้วก็พ้นจากโสดาก็ไปเป็นพระอรหันต์นี่ได้ปัญญาแท้ๆก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างเป็นอินทรีย์ทั้งคู่งาอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วให้ศรัทธากับปัญญานี้สมดุลกันเนี่ยถ้าเราหลักมีมาใช่นะแม้แต่ไปเดยนกระบวนชุมนุมก็เอาศรัทธากับปั ญ, ญญามา เข้าดุลกันด้วยนะฮะเออบอกเขาก็ได้บอกเนี่ยลองปฏิบัติทมดูสักคู่เดียวคุณไหวไหมเอาศรัทธากับปัญญามาดุลกันหน่อยก็ได้แหละได้ประโยชน์เยอะธรรมะเนี่ยนะครับนิมนต์ครับจะขอเรียนถามเรื่องสุดท้ายคงเป็นเรื่องเบาๆสั้นๆนะครับก็คือว่าได้คุยกันว่ามนุษย์โลกเนี่ยเพิ่มขึ้น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 มนุษย์มากอย่างเงี้ยตอนนี้มดเหลือเท่าไหร่พวกมดปลวกนี <strengthen asta> ่อ <olds> ย <heaven and sea> ู่ไอพวกสัตว์ต่างๆเอานกก็แล้วกันนกนกนี่ไงนกเดี๋ยวเนี้เหลือเท่าไหร่ครับสัตว์อื่นนี่ลดทอนลงไปมากมายจนจะศูนย์พันก็ไปเป็นหลายพันเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะการที่มนุษย์เกิดมากเนี่ยถ้าจะได้แค่โลกเดียวนี่ก็ก็เหลือแหละแล้ว ไ อ, ไอด้ดวงจิตที่ว่านี่มันเหลือแหล่ะละทีนี้ยิ่งในจั ก, กรวาลที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะมันโอ้โหเหลือเกินแหะมนุษย์นี่ไม่มีความหมายยิ่งกว่าผงธุลีใช่ไหมไม่มีความหมายเลยเลยอย่าว่าแต่มนุษย์เป็นผงธุลีเลยดวงอาทิตย์ยังไม่เท่าผงธุลีในในจั ก, กรวาล น, นี้ใช่ไหมมันเล็กและการเวลาก็ ไม่รู้จะเทียบยังไงนะการเวลามันยาวไกลจกนกระทั่งมนุษย์เนี่ยไม่มีความหมายอันนี้ก็เหมือนการนักการเมืองทั้งหลายมองในแะง่นี้บางบอกว่ามนุษย์เหล่านี่ยมันไม่มีอะไรเลยเกิดก็มาชั่วปเดี๋ยวแล้วก็เล็กน้อยยิ่งกว่าผงถั่ลีเหมือนกัน <c oughs> หรือยิ่งกว่าผงถร่วลีโชวแวบนบ <c oughs> ใช่ไหมผงถั่วลแบบีโชวแหวนไปแล้ว เนี่ยแล้วเราจะมาโลภโมโทสันอะไรกันนักหนาจะมาเออเนี่ยมาเป็นนักการเมืองมาเป็นอะไรอะไรกันเนียอย่าไปคิดเลยเรื่องนี้ไม่มีความหมายอะไรไอ้ทรัพย์สมบัติสม บ, บรูรณ์อะไรอำนาจยิ่งใหญ่นะมาพัฒนาชีวิตกันดีกว่าพอได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วก็ปร่งเลยแต่ว่าอย่าปรงปล่อยไม่เอาเรื่องราวนะประมาท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 พอมันมีเหตุขึ้นมาทําให้เราพ้นนั้นไปได้เราก็ได้โอกาสใช่ไหมรู้จักใช้โอกาสเป็นก็กลับเป็นว่าได้โอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งที่เปรต ส, สูงสุดของชีวิตนี้ได้ถจริงได้บอกว่าตามพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์นี่มีความหวังทุกขณะจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วก็รู้จักมองรู้จักใช้ใเป็นประโยชน์ ในสถานการณ์เหล่าเนี้ยมองไปแล้วถ้าเรามองในมิติของกาลเทศะของจักรวาลของกลับกันอะไรแล้วเนี่ยมันนิดนิดเดียวไม่มีความหมายอะไรเลยแล้วก็รู้จักมองกว้างอย่างนี้บ้างจะได้วางใจให้ดีขึ้นจะได้ไม่มายึดมั่นอยู่ใกล้สิ่งเฉพาะหน้าเอาเปน็นอตายกันขึ้นไป <c oughs> ก็มีแง่มุมต่างๆเนี่ยเอาก็